พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิองวรรคที่สี่ชื่อมหายามกะวรรคคือวรรคที่มีสูตรคู่ขนาดใหญ่มีสิบสูตรพระสูตรที่สาเอดจุลโคสิงคสาลสูตรสูตรว่าด้วยป่าไม้สาละชื่อโคสิงค์สูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนาที่พักแรมทำด้วยอิฐในนาธิกคามสเสด็จไปเยี่ยมพระอนุรุต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 แล้วก็เสด็จหลีกไปต่อจากนั้นก็มีเสียงสะดุดีจากยักษ์ชื่อทีฆะปราชนะถึงพระเทระทั้งสามรูปนั้นเมื่อไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเป็นราบของชาววัตชีคือเมืองนาทิกคามอยู่ในแคว้นวัตชีที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาประทับอยู่พร้อมด้วยพระอนุรุษพระนันทิยะและพระกิมพิละและเสียงสะดุดีนั้น ก็กล่าวต่อกันไปถึงพรหมโลก